อาร น, นี้เรามาดูสิ่งเดียวกันมาดูการแสดงโชว์ของชีวิตเรามันโชว์หลายเรื่องหลายเราสารพัดอย่ากโชว์ความหลงโชว์ความสุขโชว์ความทุกข์โชว์ความโกรธกิเลส ต, ตนาต่างๆสนุกดีสนุกทุกข์บ้างสนุกหลงบ้างมันหลงก็สนุกไปเห็นมันโอ้โอ้เออเอาเออเอาเออ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 บทบาทต่างกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนี่เป็นภาษาบาลีรูปคือการสัมผัสรูปบันหนึ่งคือการจิบหายพราะร้อนเพระหนาวรูปวันหนึ่งคือมันเกิดบรรดับได้ทุกภพทุกชาติมาเป็นตัวตั้งตัวตือเวทนาคือการแสดงรสชาติสุขว่างทุกข์ว่างมีรสชาติ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 วิญญาณก็เจ็บเอาไว้แล้วน่าอยอมไปไหนตั้งแต่เกิดจนตายทุกจนตายหลงจนตายโกรธจนตายโอ้พระเจ้ายังให้ตําแนกออกว่าลูกไม่เที่ยงเปนทนธนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นแก่เห็นเขาโูวแต่ก่อนเมือนกนเราดูการเสแสรงกลนมีรสชาติไปกับเขาเขาไม่ไอตี ไปเอาแป้งอยู่ล่านเช็กติ่งมาให้สักกระป๋องห่เขียนชื่อนายตีเสียกระดาษจุดไฟจุดไฟให้ไฟไหม้กระดาษแล้วหย่อนลงไปในกล่องปิดกล่องไว้เอาไอตีไปแล้วตีไปแล้วเอา อ, ป แ, อาแป้งบ้านเช็กติ่งมาแล้วเอามาเปิดดอกไปเปิดดูเห็นแป้งเต็มกลอ่องเลยเ อ, อก็มีรสชาตินะแม่ไม่ทำได้ไงเล่นคน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 เวลานี่เราหลงเพื่อนเราคงจะรู้สิ่งที่เราหลงเราโมโมหลงคมหลงอยู่นี่เลยเพื่อนของเราเขาไม่หลงแล้วเราจะมาทุกอยู่นี่เลเพื่อนของเราไม่ทุกแล้วเขาไปแล้วอุปมาอุปมาสอนตัวเองมาทำไมแก้วกล้าขึ้นมาแกกล้าขึ้นมาให้วันไวกับเจีงได้เพื่อนเราเชียรเราอยู่อย่างนอยก็หลายชีวิตอยู่ที่นี่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 ความทุกข์ที่เรา อ, อนแน่มันเข้มแข็งความหลงที่เราเคยหลงมันรู้แจ้งไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอุปสรรคในการเข้าหน้าของเราการปฏิบัติธรรมนั่มันจึงเป็นสมบัติของเราแทๆ้ๆท้แม้แต่การเจ็บการป่วยก็แก้วกล้าไม่กลัวนี่ยังอยู่ในหูเห็นเด็กคนหนึง่งถูก ง, งูกัดไปเลี้ยงควายอาอยุประมาณส1ปี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 ที่มันโหลดลงไปในน้ำํำงวงไปงงไปงู ง, ง, งมันกัดมือเด็กคนนั้นก็ขึ้นจากน้ํางูก็วิ่งตามเดกวิ่งขึ้นจากน้ํามาตามเด็กคนนั้นแล้วก็เข้าลูลเด็กคนนั้นก็เจ็บปวดร้องไห้ถามกันเข้ามาบ้านเด็กคนนั้นร้องว่า <S <s ผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตาย <S <s เอาผมไว้ด้วยเอาผมไว้ด้วย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 ลูกเล้าทุกเอกลักแล้วลักอีกชังเล่ชาชังเอกเสียใจมีใจเรื่องเดียวมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องมาข้องอยู่มันไปพ้นได้การปฏิบัติธรรมนะั่นจึงขนขวยได้ด้วยความสุขขมด้วยความสนุกสนานการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากลํบาบากจะได้ไหมเนอะกลัวจะไม่ได้ทํำไรไหมเนอกลัวทําท ไ, มไม่ได้ จะผิดห่จะทูกจ ะ, จะุกจะทุกข์ใจะทนได้หรือเปล่าไม่ต้องอยู่ตรงนั้นป่าวะลู่สึกตัวเนี่ยมันเหนือแล้วพลิกมือขึ้นก็รู้ ม, มาเห็นตัวลู่แล้วดำเนินไปในทางนี้ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปมันก็ผ่านตัวหลงแหละตัวลู่ไม่ได้ไปอยู่กับที่เราลู่เข้าไปก็ผ่านตัวหลงไปเรื่อยบบ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 มุดนี่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราหลุดพ้นไปพ้นจากความหลงเลอะาน้อยไปอย่าไปประมาทหลงสุขหลงทุกข์แม้น้อยก็มีผลมากต่อไปพอ้ยเจ้าเปรียบเทียบกับน้ำหยดลงใจตุ่มทีละหยดตุบหลังก็เตนไปด้ามน้าฉันได้ปฏิบัติประมาทไม่ประมาท ถ้าประมาทก็เหมือนน้ำหยดลงในตุ่มก็เต็มไปด้วยน้ำประมาทในความหลงความหลงก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ประมาทในความไม่หลงความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นมันเป็นการกระทํามันเป็นกรรมที่จะแนกได้จริงๆกรรมฐานเนี่ยไม่มีวิธีอื่นใดที่เราจะต้องสื่อสารนังนี้นอกจากเรามาต่ออาออกมอจุ่มมอง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 ไม่ต้องมีคําถามใดๆการไปปฏิธรรมนะกา ร, รศึกษาธรรมะนะมีแต่คําตอบเราก็ตอบไปเรื่อยๆหลุดตัวเองพ้นตัวเองไปเรื่อยๆไปสิ่งใดที่มันไม่พน้นก็เป็นเรื่องที่สนุกไปสนุกกับเรื่องนั้นไปเจ็ดเราทํางานตรงไหนมันผิดเป็นศินละปะขึ้นมาตรงไหนมันถูกก็ชำนาญนไปเรื่อยๆไปศิละปะในความผิด แล้วก็ทําให้ไม่ผิดเราทํางานอะไรก็ตามเป็นหมอเป็นพยบานเป็นนายช่างเป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีจิตเราตาเห็นอาจารย์ไปสานเนี่ยพิมพ์ดีจิมใชหมก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นนักเขียนนักสแสดงท่านก็ไม่ต้องดูละมือเนี่ย ต, ต้องแทกแท็กไปตามเรื่องของท่านเวลาผิดท่านก็โล ก, ก็มาแก้ใหม่เราต้องผิดเนี่ยมันเด่นอันต้องถูกไว่เป็นไร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 เออมันเต้นรำเเกี่ยวกันจบ ก, กันเหมือนคนอะสีสันต่า ง, างๆสวยงามภาพต่างๆเ อ, อ้เอามาเกินพ อ, อเขาจบไปคนดูก็ตบมือใช้เกียรติ้วแลก็แสดงเขาขอรอกกันเออเราก็ดูเ อ, อี่มันแสดงอะไรที่มันเป็นภายนอกแต่การแสดงภายในของเรานี้มันจริงที่สุดเลย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 แต่ก่อนนะัมีคือนิพพานมันมีไปนะแต่เนี้ยเขาลบนิพพานออกก็เป็นจิตของเราถึงแล้วชื่อภาพอะไรคงแต่ไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงได้วใจกลัวไ่ชินไปแห่งตัณหามันจะคือพระนิพพานไปถึงตรงนั้นนะแต่นี่ไม่มีไม่รูดว่าไกลกลัวนิพพานไปตัดออกแล้วก็จวบเฉพาะชินไปแห่งตัณหาท่านแล้วพ่อเสด็จหลวงตาเสด็ ถึงปฏิพานธ์พอจบตอนนั้นก็หยุดธรรมะจบธรรมดเจ้าเพียงเท่านั้นแม้มันสุดซึ่งเหลือเกินแต่ก่อนเราว่ า, านั้นแต่ก่อนเราเป็นผู้ดำวัดส่วนมนต์ข้บทนั้นมาสวดบทไหนที่มันควรจะลงลงอย่างงดงามได้เรื่อยไปก็เป็นการช่วยเราเขี่ยเราเอาพระสูตรมาเขี่ยเรา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 งานที่เราเป็นหน้าที่ของเราคือสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มันมีซะจะได้อยู่หนือโลกถ้าไม่มีสมบัติตัวนี้มันจะอยู่ในโลกโลกทับถมไปเรื่อยๆจึงอยาจ ะ, ะโกนแหลกแหงว่าเนี่ยพระสูตรพระธรรมคำสอนน่ยมันเป็นสมบัติของเราร้อยร้อยอย่างเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อความหลุดพ้น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 วัว น, นี่ยมันออกลูกใหม่ทางเข้าบ้านเป็นเลนเป็นโคนมันไม่สามารถที่พาลูกเข้าบ้านได้บ้านเมืองจะไม่กอนไม่มีการพัฒนามีเลนมีโคนถึงทองท่องวัวท้องไว่ไ น, นี่อันวัวเมื่อ ก, ก่อนมันเอาลูกไว้นอนในป่าแล้วมันก็ทิ้งลูกมามาอยู่บ้าลูกมันก็นอนอยู่ในป่าแล้วพ่อป่วยไป